ฟังทรมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วออกไปทมสิ่งที่ต้องทมก็มีเรียกว่าวิชากรรมฐานมีที่ตั้งแห่งการกระทำ ทำอย่างไรให้มีสติเป็นกายอยู่เป็นประจำบอกอย่างนี้วิธีใดที่จะให้มีสติเป็นกายอยู่เป็นประจำไม่พัสูตรก็บอกไว้แล้วว่าดูฉันเข้าเหยียดฉันออกให้มีสติเรียกว่าสัมประจันยบพัก เอาอาศัยอิิบทการเคลื่อนไหวเป็นริงที่ตั้งว่ามันมีกายอยู่มีมือมีแฉนมีขายอยู่เริ่มต้นจอกที่กายก่อนเราก็มีกายทุกคนมีสติการที่มีสติอยู่นี่ไปในกายนี่ต้องหัด ถ้าไม่หัดก็ทำไม่เป็นอันอื่มมันจะดึงไปสิ่งที่เกิดกับไปกับไปนี่ก็มีมากดึงไปใช่ทางที่ผิดก็มีเสียผู้เสียคนเยอะแยะวันนี้เรามาฝึกหัดกันมาเข้าคอร์สมาเข้าค่ายว่าลงสนามฝึก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 พงเงี่ยวิชาการตามคมสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ทําที่เป็นพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพราะทำกรรมฐานกรรมฐานทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชาติกาเนิดเกิดมาเป็นพุทธเจ้าเลยเกิดมาก็เป็นสาวมัญชนคนหนึ่ง ค ว, ค, วความเอิดความเฉลี่ยความเจ็บความทรมน้าต่อตาส่วนทุกลองห่มลองห้ยผู้คนที่เกี่ยวข้องเจ้ผู้เก็บก็เจ็บจริงจริเป็นจุดเป็นศึกษาเรื่องนี้ เดินโน้ายลรูปไลยแบบหกปีปีที่หกยังนะจึกษอาเรื่องนี้เอาายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลามีครบัาชานู่นเขานี่เยดะแขนดอดดยังไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยนั่งอยู่ใต้ล่มไม้ลำพังผู้เดียวพระองค์เดียว ก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปาากับใจมากมายก็จะได้รู้มีสติแล้ววันนี้เลื่อผู้แขนเขา้าเหยี่อแขนออกมีสติจะได้ทักท้วงกลับมาลู้ที่มาอยู่ที่ตั้งสติจนอุปกรณ์เครื่องมือดึงสิ่งที่มอนพาไปกลับขึ้นมาลู่ที่กาย น, นี่ เพื่อนหวัยอยู่นี่รู้อยู่นี่ผิดตัวใดก็รู้ทุกตัวใดก็รู้สิ่งที่มันเกิดกับกายเนีมันมีมากมีก็พาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์กลับมาสติเห็นไม่ใช่ตาเนื้อเห็นตาเนื้อเห็นอย่าไปเชื่อบางทีก็เกิด นิมิตขึ้นมาได้ตาเนื้อเห็นโน่นเห็นนี่ก็ อ, อย่าไปเชื่อเอาตาในคือลู้สึกตัวนี่มือเคลื่อนไหวอยู่นี่กับลูกเดินจกมกลมกลับไปกลับมาก็่ลู้อยู่นี่ให้กลับมาลู้ดีกาเคลื่อนไหวตั้งไว้ตั้งไว้ให้อยู่นานๆวันจะคุ้นเคยเอง จะช้ำนานในความรู้สึกตัวคือตอนนียจะได้รู้ไวขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นกับความ ร, รู้สึกตัวทั้งนั้นมาผิดก็เป็นความรู้สึกตัวมาแบบไหนรู้สึกตัวมาลงที่ความรู้สึกตัวก่อนอย่าหาคาตอบด้วยเหตุด้วยผล น, นี่หรือว่าฝึกัดการฝึกัดเช่นนี้ ไม่มีใครเป็นครูเราได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ครูของกอยของจอยคือความรู้สึกตัวนี้่ระกอบขึ้นมาให้มันมีอย่าให้เหมือนเถื่อนนีสติเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของไม่เป็นใหญ่ อย่าเพิงตัดสินใจเอาโ น, โ น, โ น, น่นเอานี่เห็นสิ่งโนโ่นสิ่งนี้สิงกลับมาตั้งไว้ที่กายนี้ให้รู้จักตัวรู้จักตัวอยู่นี่จะได้บทเรียนที่สิ่งที่เกิดกับกายมากมายประสบการณ์มากมายเมื่อประสบการณ์กับกายมากมายก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอีกหลายเรื่องหลายอย่างเ ป, เป็นทุกเป็นทุกข์ เรียกว่าเวทนาเกิดกับความดังจากปุถก็เห็นถ้ามีความรู้จักตัวจะได้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่ก่อนแล้วก็เป็นไปกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากับป๋ากับจิตจิต ด, ดีๆปกติอยู่แต่ก่อน เกิดไหลขึ้นมาทำให้โยมจิตไปหลายอย่างเวทนาก็โยมกายโยมจิตอีกหัวผันปเจอะแยะคือสุกุญทุกมีอยู่จริงนันสุกุญทุกนี้มันไม่ใช่ตัวตนมันมีอยู่ของธรรมชาติของรูปของกาย ของนามของคิดใจมันรั่วไหลได้กายก็รั่วไหลได้ใจมันก็รั่วไหลได้อีกทั้งตาหูจมูกดิ้นนี่การถาวันที่มันรับรั่วไหลได้เข้าหมายเยอะแยะทำให้หลงไปกับตากับหูจมูกดิน้นกาย ใช่ถ้าเราไม่มีสติถ้าหวานหนึ่งประตูแห่งอาคันตุกะเข้ามาเยอะแยะแต่ถ้าเราลู้จักตัวหนึ่งจะลู้อะไรเกิดขึ้นมาก็ลู่จะชำนาญคกบคุมได้ในกายในใจในรูปในนาม บนงทีก็จิตที่มันคิดหลงไปในความคิดก็มีพอให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีในความคิดนั่นมันจะเป็นท้าวหวานของจิตให้มีสติดูเลยกลับมาทั้งไว้ที่กายอย่าไปกับความคิดอย่าให้ความคิดเดึงไปจนหลง พ่อยมีไม่มีสติเปลือิดดูดพ่เดินยังกรมอยู่ก็ไม่รู้เงยมือสร้างจังหวะอยู่ก็ไม่รู้เวลือคิดดึงไปซะเราจึงต้องจําเป็นต้องเพื่อนไหวสมปัญญะบอบเะเพื่อนไหวเพื่อให้รู้เพื่อเป็นลูกตุ้มถ่วงไหวให้เกิดความรู้มีที่ตั้งมีการกระทํา อย่าหลุดออกไง่ายเกินไปหัดต้นสอนตนอยาลุกอ่านั่งอย่าเดินอยนอนที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายก็ให้ลู่ฉกตัวอย่าลุกไปเลยอย่านั่งเลยอย่าทําะไรไปโดยไม่ลู่ฉกตัวอันนี้จำเป็นต้องฝึกหัดทีแรกก็หัด ยากหน่อยทวนกะเสียสักหน่อยความเคยชินของกายของใจใยที่มันหิวที่สิ่งที่หิวไปง่ายๆสิ่งอื่นหิวไปง่ายๆเพราะเค ย, ยรับใช้สิ่งอื่นเป็นอุปกรณ์ของความรับใช้สิ่งอื่นกายใจนี้รับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสุก็เอาทุ ก, ก็อ หดโลภหลงโกรธดิจเสียใ จ, ใจเอาหมดอยอกได้ความสุขความทุกข์ตามไล่ไปสุขสุขทุกข์ทุกข์อยู่เช่นนั้นนอกจากเกิดจากกายจากใจแล้วไม่พอม้วัตถุภายนอก แล้วก็มาเกี่ยวเข้งกับภายในคือกายใจนี่มากมายจึงเป็นงานต้นการที่จะต้องนํามาฝึกตนสอนตนทุกรูปทุ ก, ทกแบบถ้ามีสติจะเป็นได้จะได้บทเรียนจากจะได้ประสบการณ์หลายเรื่องส ต, ติมีบทเรียนหลายอย่างประสบการณ์หลายเรื่อง เื่อกแหล่งการศึกษาธรรมะศึกษาแบบนี้ไม่ใช่ศึกษาภายนอกรู้ปรู้เรื่องนี้จึงเรียกว่าธรรมะเมื่อรู้เรื่องนี้เป็นธรรมะก็มีธรรมะธรรมชาติอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับ้ายกับใจ อยู่ช้งเห็นจริงเห็นเป็นรูกเป็นนาำเมืม่อเห็นเป็นรูปเป็นนม้มก็แตกฉานด้วยความแตกฉานที่ที่ เ, เกิดขึ้นกับรูกเป็นน้ำนี่ช้ำนิช้ำนาน ประสบการณ์หลายเรื่องหลายอย่างเมื่อเห็นจริงที่มันเคคกิดขึ้นกับน้ำไม่เติมันก็เป็นการเล่าความชั่วการทําความดีการเล่าความชั่วการทําความดีเกี่ยวกับรูปบนน้ำนี่เกี่ยวกับกกบทไหหลายอย่างทั้งต้นที่นี่ทั้งนั้น แล้วก็มีรูปมีนามมีการยมีใจปัญหาเกิดที่รูปที่นามที่กาวที่ใจนี่แล้วก็เกิดปัญหาต่อไปอีกมากมายไม่ไหนกายในใจนี่ก็เหมือนกับว่ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วมีอะไรที่มันเป็นทุกข์ ในควา ม, มเทียงให้วมเป็นทุกข์ในความมาใช่ตัวตนให้เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายให้เป็นทุกข์เกี่ยวกับโลกที่เป็นวัตถุสิ่งของไม่มีใคยเป็นใหญ่ได้ในรูปนี่ไม่มีใครป้องกันได้ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ของรูป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 เอาน้ามาทำมากาหนดบ้างกาหนดด้วยความไม่เที่ยงก็มีวัตถุก็มีความไม่เที่ยงชีวิตก็ไปห้อยไปเฉืด้วยกับวัตถุเมื่อวัตถุนั้นเป็นปายก็มาเป็นทุกข์เพราะมันไม่เคยรู้เคยเห็น เอาความไปทุกข์มันไปทุกข์พ้นลงไปแทนที่เห็นทุกข์พ้นจากทุกข์ควาไม่เป็นเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเราพงศ์ขันต์เห็นทุกข์พ้นจากทุกข์นี่คือทุกข์รู้แล้วกำหนดรู้ได้แล้วนี่คือทุกข์ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์รู้แล้วโดยละเหตุมันแล้วละได้แล้วเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์คืออะไรล้วก็เคยฝูกขดัดโดยฝึกขัดได้เห็นรู้จักตัวจะได้เห็นไม่เข้าไปเป็นง่ายๆถ้ามันมีความรู้จักตัวจะมักเข้าไปเป็น เ ห, เหมืนเนทุกไม่ได้เป็นผู้ทุกถ้าเป็นผู้ทุกก็ถือว่าไม่เห็นไม่มีสติแล้วต้นเหตุที่อยู่ที่ครัวมไม่รู้จักตัวถ้าเราลูจักตัวตัวลูจักตัวจะเป็นผู้เฉลือยไปเลย ควมรู้จึกตัวเป็นตัวฉเฉลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับขกายกับจใจทุกเรื่องทุกอย่างความไม่เที่ยงก็เห็นแล้วนี่คือความไม่เที่ยงคือรู้สึกตัวรู้แล้วจะให้เหมือนเที่ยงก็ไม่ได้อันความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วนี่คือความเป็นทุกข์จะให้เป็นสุขมันก็ไม่ได้ความทุกข์นี่อยู่ ลูกความร้อนความหนาวความหิวความปวดความม่อยที่เหมือนเกิดขึ้นกับลูกทุกสภาวะทุกทุกกรรมธรรมชาติของลูกว่าใช้ทุกเป็นอุปท า, านที่มายืดว่าตัวเราของเราถ้าเรามาลูกอุปท า, านทั้งหมด หดเมื่อบมดตัวกับความทุกข์เทนที่จะมีปัญญากายเป็นความโง่ไปเลยทุกเมื่ออะไรก็โง่ไปเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มแทงจิตใจเศร้าหมองถึงจิตถึงใจไม่ใช่คนละอย่างไม่รู้จักแยกเป็นรูปเป็นนามรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ รูปเป็นทุกนามไม่เป็นทุกฉลาดนามฉลาดโดยจกระเบียบมีระเบียบที่ปฏิบัติตัวนามรูปก็มีระเบียบไม่ไม่เบียดเบียนกันถ้าเราจะจดเราถ้าเราไม่จดจ่อไม่มีจติ ลูกที่มันเป็นทุกข์ก็เบียดเป็ียนนามนามเป็นทุกข์ก็เบียดเปลียนลูกผทุกข์ที่เกิดจากนามมาทำคือจิตใจพาให้ทูกเป็นทุกข์ได้ชิดมากจนมีปัญหาก็มี มากก็มีปัญหาถั่วลูกเส้นเลือดกระเพาะเส้นค้ามโปวดมากๆคืนเข้ามาได้กระเพาะบีบตัวหดตัวหมดเลือดไม่มีหล่อเลี้ยงในสภาละร่างกายหรหล่อเลี้ยงหัวใจที่มันคิดจังหวนหนัก หัวใจเต้นทีขึ้นเต้นความโกรธหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเพราะมันหนักทำงานหนักเหมือนเครื่องยนต์ก็หมุนเล็วกันไปก็ต้องดูดแล้วหนักมากไปหล่อเลี้ยงกินน้ำหนันมากกินแรงมากหัวใจก็สูบเลือดเลี้ยงทำงานหนักก็เสื่อมโทนชวนดึงขาดเลือด ให้หล่อเลี่ยงต่ทุกขกว่าเถือนที่สุดคือก่อเพาะอาหารกลายเป็นโลกก่อเพาะได้นี่คือทุกข์ถ้าเราไม่รู้มันไม่เป็นระเบียบรู mm hmm. เปนนเปียดเบียนน้ําน้ําเบียดเบียนรูปเกิดโลกนิ ด, นด ห, นหน่อยก็กําเบิบได้ถ้าเราไม่รู้ ถ้าเรารู้จากตัวจะเยี้ยวหยารู้จักเยี่ยวหย า, ก, า, ก, ยยยากันเองและหวังรูปควานามเนี่มันมีมันมีความถูกต้องอย่างหนึ่งก็ถูกต้องไปหลายอย่างถ้ามีความผิดพลาดที่อย่างก็ผิดพลาดไปหลายอย่างเอาชื่อว่าคนเนี่ยมีรูปมีนามเนี่ยเราจึงต้องจำเป็นต้องศึกษา เจอปล่อยทิ้งว่ามีสติจะกระตือหรือล้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกบุนามมากมีสติรู้จักวิธีรู้จักฉลาดช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามเหมือนกับเหมือนกกอบกู้ขึ้นมาให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นความถูกต้อง เยอะแยะเลยถ้ามีสติแจะรู้จักกระตือกระล่กกลนช่วยลูกช่วยน้ําราไม่เคยช่วยลูกช่วยน้ําไลยปล่อยให้ลูกน้ําหลงเพหลงก็ยังปล่อยความหลงทิ้งไว้เหนื่อยก็ยังปล่อยความทุกข์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีสติเป็นอย่างนั้นนะปล่อยความทุกข์ทิ้งไว้ ปล่อยความหลงเที่ยงไว้ปล่อยความพอใจความไม่พอใจที่งไว้ในรูปในนามมันจะเกิดลอยขึ้นมาถ้าปล่อยซะอย่างนั้นอันตรายขนหัวลูกสามสิบปีจงมาลูดเรื่องนี้จะมือลูดเรื่องนี้พองมาลูดเรื่องนีพอเห็นมันมันหลงเกิดขึ้นมาอุ้ยก็ตื่นรุ่นรีบมาไวที่จุดความรู้จักตัวเอง มาไหวมากกว่าอันอื่นถ้าชิตมาไหวอะไรก็มีโอกาสที่จะบังให้ลูกให้นามมีปัญหาเพราะมันเปิดหัดมันก็ชำนิจชำ น, นั่นจิตมาไหวไหวชิตมาไหวไหวจึงแล้กก็หัดกำหนดคอยเคลื่อนไหวถ้าหัดเป็นแล้วไม่ได้หัด มันเป็นทำให้มันเป็น uniform, ทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วการทำเป็นตัวเองต้องสอนตัวเองคนอื่นสอนไม่ได้คนอื่นสอนให้แต่ yes, ได้ความรู้แต่การทำไม่เป็นนี่เราต้องสอนตัวเราเือนหลงรู้จักตัวเป็นไหมเหนทุกข์รู้จักตัวเป็นไหมเหมือนโกรธรู้จักตัวเป็นไหมเหมนหลงรู้จักตัวเป็นไหม มันดีใจรู้สึกตัวเป็นไหมมันทุกข์ใจรู้สึกตัวเป็นไหมมีให้เราฝึกพิริรู้สึกตัวถูกรู้สึกตัวสงบรู้สึกตัวพุ่งชาตรู้สึกตัวนอกจากทุกข์นอกจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่ในความแม้ต่อากาศที่มันเกิดขึ้นต้องรู้สึกตัวอีกเช่นมันรู้ว่ารู้สึกตัว อย่าไปติดความรู้อีกมันสุกแล้วรู้จักตัวอย่าไปติดความจุบอีกความรู้จักตัวนี่เป็นนี่เหละืะคือแบบพืชพงไม่จันทร์แบบพฤชพงไม่จันทรย์ขอให้พงไมจันทร์ของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งชิ้นนี้คือบริสุทธิ์รู้จักตัวเขาไม่รูปบริสุทธิ์ทําไม่นามบริสุทธิ์เพื่อรูปน้มบริสุทธิ์ โอกาสเป็นศีนศีลก็ช่วยอีกสมาธิคือเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเฉพาะเรื่องของช่วยอีกมีปัญญาโลูกลูกสิ่งที่มาเกิดกับคกายกับจอยกับลูกกับน้ำเนี่ยเป็นปัญญาลู่เรื่องนี้เรื่องเกิดที่ชิ่งที่เกิดขึ้นเกิดกายกับจอยกับลูกกับน้ําเนี่ยจึงเป็นปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะไม่จะเป็นเรียนลู่จบริญญา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 ทุกเป็นสิงที่กำหนดหรูเหตุการเกิดทุกเป็นสิ่งที่ละาทำไปแล้วทำแจ้งแล้วทำได้แจ้งแล้วชำนาญแล้วจึงเป็นความจำเป็นเป็นควบเป็นเรื่องรีบด่วนมใอการในใจนี้ควรที่จะกอบผู้ตัวเองให้ได้มาเปิครับ มาเป็นมิเป็นเพื่อนกันมาลงสนามพวกเราเป็นของเขียร์ทั้งพระเจ้าเป็นธงชายพระลหันเป็นธงชายอยู่ว่างหน้าเราบ้าเถิมีจิตใจเป็นกาสก็เป็นเรื่องเดียวกันความหลงเกิดขึ้นจากเร า, าพระพุทธเจ้าก็เคยมีความหลง เปียนเป็นความรู้ได้พร ะ, ะเจ้าเปลี่ยนในนี้ความหลงเกิดจากกายก็รู้ได้ความหลงเกิดจากใจก็รู้ได้พระองค์อาจจะคิดมากกวพวกเราหลงมากกว่าพวกเราเพราะอยู่ลําพังพระองคเดียวยังไม่มีนิมิตมีเครื่องหมายมีจุดหมายปลายทางที่ได้ซุ่มหัว เพียงแต่ได้ข้อมูลจากกาจากใ่มีสติตอนนี้เราได้มีข้อมูลยเยอะมามากแนละ้วมีเพื่อนมีมิตรไม่เปียวเดียวดายไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อฝึลลำพังพวกองเดียวจะคิดจะไอยขึ้นมาอยู่ในปาน่าในดง นี่เราก็มีเพื่อนมีมิตร ม, มีสถานที่น่าจะสะดวกและมีคำสอนมีแผนที่ให้ปฏิบัติตามมีสติประัดญาที่เป็นประจำเห็นกายสุขกายไม่ใช่จัดบุคคลตัตนเราเขาเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ ไม่ใช่เป็นคําพูดแบบนี้เป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่พูดเอาเฉยๆหรือกายจะว่ากายคือสติเห็นไม่ใช่สัตุปกรณ์ตัวตนเราเขาสติเป็นผู้เห็นและหมาสมมติปัญญาเป็นภาษาพูดเป็นตัวหนังสือเวทนาจากว่าเวทนาไม่ใช่จัตุปกรณ์ตัวตนเราเขาเป็นสติที่เห็น คำตอบคมเฉลยของสติหลุดออกมาแล้วสติเห็นหลุดออกมาแล้วไม่ใช่คําพูดคําพูดพาให้หลุดไม่ได้จิตก็สภวะจิตไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนโลกเขาเช่นกันทำสภาวะธรรมไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเลกเขานี่เป็นแผนที่ทําในใจไม่ใช่เป็นคําพูดท่องบทบริกรรม พุโทโธพุโทโธก็มันใช่แบบเดิมอาศัยพุโทโธพุโทโธให้มีพุโทโธเป็นนิมิตเป็นสมาธิมีคําเดียวเวลาออกจากพุโทโธก็เหมือนเดิมให้มัเห็นจริงๆตัดบริกรรมออกให้มีสติโดยตรงตัวปะวะที่พุโทโธคือรู้คือตื่นนั่นแหละตื่น ตื่นความหลงวงที่ตกใจในความหลงหลงในความคิดตกใจมากมากกว่าหลงตกใจตื่นงูตื่นช่องตื่นเสือตื่นความหลงที่เกิดจากความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก วความหลงเกิดจากความคิดนะไปกันทั้งหมดแล้วแล้วนตื่นตรงนี้ตื่นมากด่างอาจมันจะตื่นมันจะมันจะชำนานตรงนี้คล่องแคล่วตรงนี้เรียกว่าบําเพ็ญทางกิตพระเจ้าอุบัติขึ้นกับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกายเรื่องลูกบําเพ็ญทางกิตตื่นรวมคิดที่มันเกิดจากคิด ได้แก้ไขได้เปลี่ยนเป็นความรู้ที่เกิดจากกิดในความหลงในความรู้อยู่ในกิดในคราวเดียวกันมาพร้อมกันอาจจะไวกว่าถ้าฝึกหัดแล้วไวกว่าความรู้จิตตัวเป็นเจ้าของกลายเป็นเจ้าของกิจเหมือนเก้าอี้ใบเดียว ความหลงความทุกข์มานั่งอีกไม่ได้ถ้าพึงหัดเป็นแนวอยากให้มันหลงมันก็ไปหลงอยากให้มันทุกข์มันก็ไปทุกข์อยากเห็นทุกข์ที่เป็นทุกข์อันไหนเป็นทุกข์นะลองเกิดขึ้นดูจริงความเจ็บเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ความเจ็บเป็นทุกข์เห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บความตายเป็นทุกข์หรือหอยใจไม่ได้เป็นทุกข์หรือไม่ใช่ หายใจไปได้เห็นมันหายใจไปได้ไม่ได้มาเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเรไม่ต้องอาศัยลมหายใจความไม่ทุกข์ไม่ต้องอาศัยลมหายใจถ้าอาศัยลมหายใจก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยอาศัยความเจ็บมาลงโทษให้ความเจ็บมาลงโทษหายใจไปได้มาลงโทษไม่ได้เป็นเช่นนั้น มันเห็นตามความเป็นจริงไม่เอาชีวิตไปห้วยไปแฉวนไว้กับหลมไหวใจไม่เอาชีวิตไปห้วยไปแขวนไว้กับอะไรที่เป็นที่ตั้งวัตถุจริงของไม่มีที่จะอาศัยมันมีตัวก็มันเองคือเพาว่าที่รูดจิกตัวรูดจิกตัวนี่มันจึงเหนือก่อนเกิดเจ็เจ็บตายนี่จําเป็นต้องฝึกหัด แน่นอนที่จุดไม่เที่ยงตนทุกไม่ใช่ตัวตนหายใจไใจออกงาเข้าก็ตายแล้วหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วมันนิดเดียวชีวิตของคนเราเนี่ยนิดเดียวพูะเจ้าเปรียบเทียมเหมือนน้ำข้างบนยอดหยาะเหยง่าย จึงไม่ควรประมาทน่ า, าจะกระตือดือล้นกรรมให้มากๆากจิกจ่อเลื่อนนี้จําเป็นมากๆามแต่ความเจ็บความตายครอบอกรรมมีตลอดเวลาการเวลาเกินชีวิตเราตลอดเวลาเราใช้ชีวิตยังไง ท, ท, ท, ทุกเวลาทุกนาทีทุกครึ่วโมง เวลาให้เราใช่ไม่ใช่เวลามันคกนจินเราถ้าเวลาตืนจินเร า, า, เ, า, เ, เ, ราเราก็ไม่ได้ประโยชน์จะ เ, เท่าล้มตายไปเฉยๆมาเดี๋ยวความหนุ่มไปสร้างเจตนหาหลาคกาะม่าความหนุ่มมาฝึกหาจังหนึ่งก็เสียพลังงานไปเปล่าใช้พลังงานในทางที่ไม่ถูกต้องเส้นความคิด แม้แต่ความคิดก็กินพลังงานมากแม่อยากคิดมันก็คิดถ้าไม่ฝึกตอนที่ไม่ตัวไม่มีตัวมีตัวหนาลอยเกิดจากความคิดเฉยๆแตาก่อนที่เกิดจากคิดเฉยๆสามารถมาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้พอให้นอนไม่หลับพอให้กินข้าวไม่ได้พอให้น้ําตาร่วนน้ําตาไหลแค่นี้ก็ ไม่ไม่น่าไม่น่าจะงู้ขนาดนั่น น, นนะเสียดายเียดายผู้ที่เสียเปรียบความคิดฝ่ายเป็นทุกข์เสียดายเสียดายส่วนมากจะมีเช่นนั้นประมาณแปดสิบเ้าสิบเอร์ทุกข์ที่เกิดจากกิตใจของคนเนี่ยมีปัญหาที่เกิดจากความคิดมากที่สุด เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บคนนานจะมีจ้าครั้งหนึ่งจะเกิดจากความคิดไม่มีการเวลาแล้วก็ไม่มีใครช่วยตัวเราได้เกิดจากกายังมีบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามช่วยมีโรงพยาบาลมีนายแพทย์มียามีพ่มีแม่มีเพื่อนมีมิดบุคคลที่หนึ่งที่สองวัตถุที่หนึ่งที่สองช่วยแต่เกิดจากความคิดไม่มีใครช่วยเราได้ ถ้าเราไม่ฝึกที่จะช่วยตัวเองจำเป็นต้องจนแน่น อ, อนตรงนี้ถ้าไม่ฝึกหลงก็เป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรก็เป็นโกรดีใจก็เป็นดีใจเสียใจก็เป็นเสียใจเป็นเช่นนั้นเลอยู่ในโลกถูกโลกทับถมนอกจากนี้เราก็มีเห็นตาเฉรนเิ น, นได้เสียเสื่อมรอกเสีย่อมยด ติดทารุกโลกก็ทำใครอบครอย่ำยีช่อมเสริมอี่มมากมายถ้าเราไม่รู้ม่ได้จะเป็นกองทุ ก, กันหนึ่งก็ว่าตารูปชาไปแต่ที่ตั้งของกองทุกถ้าเราไม่รู้จึงยอยากจะช่วย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 ก็รู้เลงนี้เป็นส่วนมากตัวเจ้าก็ตรงสั่งสอนสาวโกเรื่องนี้เป็นส่วนมากพระสงฆ์าวโก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากไม่มีเรื่องอื่นจึงมีสมนักมีสถานที่อย่างนี้เกิดขึ้นมามีพระสงฆ์มีเพื่อนเป็นมิตรดูแลเพื่อจะให้ความสะดวกนาย ตามศึกษาเรื่องนี้ตามทุกควาเจลพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็ยังจะละเสิญพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอยู่เป็นหนึ่งนิดและจะละเสริญบางคนที่ตั้งใจจริงๆเหมือนกับว่าเรามีเราจะมีที่พึ่งพวกเรามั่นคงมีคนที่มั่นคง เกิดขึ้นแล้วก็อาชัยได้อาชัยได้เพื่อจะช่วยกันอาชัยคนดีให้เกิดขึ้นมากมากถ้ามีคนไม่ดีไม่มั่นคงในชีวิตของเขาล้วก็ก็เงี่ยนคอนเถียนไม่รู้อยาอาใช้ใครเห็นอยากเห็นโยมเห็นพระเห็นสงเพระนุ่งนุ่งไอ้ชีนุ่งนุ่งสาวๆยาจ um, ูมมาปฏิบัติธรรมหนึ่งเป็น กำลังใจเราจะขอเคลียร์อยู่ในใจเสมอนี่ก็พูดให้ฟังให้เอาไปทาเมื่อการกระทำองแปมนี้จะเกิดขึ้นจอกผู้กรงทามันเองสมควรจอกลากัาบละพร้อมกัน